หรบางทีจิตเราก็ไหลไปทางหูมีคนหนึ่งมาเรียน10ครั้งมาฟังหลวงพ่อสิครั้งไม่รู้เรื่องเลยที่ไม่รู้เรื่องพราะคิดมากคิดใหญ่เลยว่าเอ้ยสอนอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องนะเสร็จแล้วแกครั้งที่10บเนะี่แก ท, แท้อแท้ทอดอะไรในชีวิตเลยเห็น <c oughs> นั่งอยู่ท้ายศาลาลมมันพัดนะเครดิ่งที่ชายศาลาดังกลิ้งขึ้นมาแกเห็นจิตวิ่งบึ้บไป